เทศอบรมพระวันที่18พฤศภาคม2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เป็นคติดีมากเทศเรื่องพ่อเสียใจอยากให้เราบวชจนน้ำตาตกเราจึงยอมบวชเมื่ออ่านพุทธประวัติเป็นต้นแล้วอยากเป็นพระอรหันต เรียนแล้วจึงออกปฏิบัติและไปหาอาจารย์มั่นฟังท่านจนหายสงสัยมั่งผลนิพพานว่ามีอยู่จริงกิเลสทำเรามันทำจริงๆเราแก้กิเลสจะแก้เล่นๆได้อย่างไรมาอยู่ด้วยกันจงเห็นใจกันโดยธรรมต่างคนต่างหามกิเลสมาอยู่ด้วยกันอย่าเอากิเลสมาแข่งกันมาเหยียบย่ำกัน จงต่างคนต่างชำระปราบปรามมันให้สิ้นซากจากหัวใจกันนี้ดีมากเทศอาทิตยปริยายสูตรว่าเป็นธรรมสมบูรณ์ถึงที่สุดทุกส่วนอนัตตลักณะสูตรกับการปฏิบัติตอนเลยขันห้าไปแล้วไม่สนิทใจเพราะไม่เข้าพิจารณาจิตอันเป็นที่รวมของกิเลส กันนีเทศถึงที่สุดอย่างละเอียดกิเลสมีมากน้อยต้องหลอกเราเสมอไปเทศถึงหน้าบีบ้างเล็กน้อยพูดดุเรื่องพระธรรมทูต ด, ด้วยจากนั้นก็พูดเรื่องจิตบริสุทธิ์มีแต่ขันลุนล้วนแสนสบายพูดกระตูนคึกฤทิเป็นนายกอัดให้ใครได้เฉพาะคำเทศคำพูดไม่ควรอัดให้ใครดุ แต่ก็เป็นคติดีเออลูกครูนี่ผมมีหลายคนคนนั้นเหล่านั้นเรานั้นกูก็ไม่ว่ามันแหละหมายว่าคูพูดไทยแต่กครูหญิงครูไม่เกี่ยวข้องนั่นแหละลูกครูไทยกูก็มีหลายคนแต่นอกนั้นเออเออครูก็ไม่สนใจอะไรกับมันพอจะอาศัยมันได้วังบักบัวนี่นี่หวา ว่า น, นี้เลยนะพี่พ่อไม่เคยชมย อ, อะไรอะยรไม่เคยชมมีแต่กดลงเรื่อยๆนี่สายพ่อกับแม่เราเป็นนเป็นนี่เทนั้ น, นทำการทำงานอะไรแล้วกูวไว้ใจมันได้ทุกอย่างกูทงสู้มันไม่ได้ว่าลูกคนนี้กูวไว้ใจที่สุดทางนั้นอยู่ถ้าลงไม่ได้ทำอะไรแล้ว ต, ลต้องเลี่ยบต้องเลียบไปหมด ไม่มีที่จะได้ตำหนิติเตียนกูยังสู้มันไม่ได้พอพูดถึงเรื่องหน้าที่การงานนั้นมันมันเก่งกินไอ้นี่วางกูยกให้ลูกกูทั้งหมดมีบักนี่ละตัวสำคัญเรื่องการงานที่ไว้ใจได้วางแต่ากูขอให้มันบวดชท์ทีไรมันไม่เคยตอบไม่เคยพูดเลยเหมือนมันมันไม่มีปากวางเหมือนไม่มีหูมันไม่มีเหัว่างนี้แหละมีเวลากูตายแล้วมันมีใครกูจะลากกูขึ้นจากมอญนรกได้ เลี้ยงลูกว่าเท่าไรกูพอจะได้อาศัยกูก็ไม่ได้เรื่อ ง, งอกูค่ากูัวศับังบัวไม่ได้นะ้วกูก็หมดหวังพราอว่างั้นน้ําตาโโหล่วงน้ำเปล่าเรามองไปเห็นแม่ก็มองไปเห็นพ่อน้ําตาร่วงแม่ก็น้ําตาล่วงเราก็โดดเดอกจากที่รับทานเลยปุ๊บปั๊บหนีเลยนั่นแหะเป็นต้นเหตุที่หเราได้ตัดสินใจบุญมันมีเหตุอย่งนั้น แต่คิดที่ต้องสามวันไม่หยุดไม่ยอ ม, มรัทานร่วมเลยในสามวันนั้นผมนไม่อยอมารับทานร่วมพ่อแม่ผมหิ้งผมหิ้งผมเสียหนีเนี่ยแต่คิดไม่หยุดไม่ถอยคิดถึงเรื่อง เ, าเอามาเทียบมาเพียงถึงเผื่อฝูงอะไรที่เขาบวชตลอดคู่ว่าฌานคือบวชไปจํานวนมากการบวชนี่ไม่ใช่การเหมือนเขาติดกุกติดตารางว่างั้นเขาติดแม้เขาติดคุกติดตาราง ตลตลอดชีวิตเขาก็ยังพ้นออกมาได้หรืเราไม่ใช่ติดคุกติดตารางหมกเพื่อนทั้งหลายเขาไปบวชเขายังบวชได้เขาเป็นคนเหมือนกันแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านบวชจะเป็นสมภารเจ้าวัดท่านยังอยู่ได้เห็นได้ เ, เราก็เป็นคนทั้งคนพ่อแม่เลี้ยงมาเหมือนคนทัหายอย่างอื่นเ้ายังพ้นได้อดปดได้พ้นได้แต่การบวชนี่มันเหมือนติดคุกติดตารางจะหรอเราถึงจะบวชไม่ได้ เราทำไมถึงด้อยเอนั่งหนาตามตามานั่งหนากวาเพื่อนสูงหน่อยพอถึงขนาดพ่อแม่เดินน้ำตาล่วงเพราะเราไม่สมควรอย่างนี้เะาเอานันงคิดวกไปยันมาเอาทั้งวันอยู่นั้นได้สามวันตัดสินใจปุ๊บได้เลยเอาบิทำไมจะบวชไม่ได้ตาเขาตายตายเราเขาบวชมาไม่เห็นตายเขาสื่อไปนี่พ่อแม่ก็ไม่ได้บอกว่าให้บวชจนถึงวันตาย เราบวชให้พอแม่ปีสองปีได้สิลาละสอะไรก็พอแม่เหมือนว่ายมะนแล้วทํำไ ม, มจึงจะบวชไม่ได้หรอเราคนคนหนึ่งจะแท้นน<ม>อนต้องบวชหรืออารมณ์ใจแล้วก็จึงได้มาบอกกับ แ, แม่กับแม่แต่ว่าเออเรื่องการบวชจะบวชใหนะ้แต่ว่าใครจะมาบังคับไม่ให้สึกไม่ได้นะบวชแล้วจกสึกเมื่อไรก็สึก ใครจะมาบังคับว่าต้องเท่านั้นปีเท่านี้เดือนนะไม่ได้หรอกนี่มันมีมีทางออกอยูนั่นหนะ่อดูที่ทิถีมันะของมันนะแต่ยศแม่แม่ชลาดก็่ลูกเอ้ยแม่ว่าแม่ไม่ว่าขอให้ลูกเป็นบวชให้แม่เห็นต่อหน้าต่อตาแล้วศึกออกมาแล้วท่านท่านที่คนก็กําลังไปอพอบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านท่านที่คนที่ไปบวชจะไม่กลับบ้านประตามแล้ว ม, มาสึกต่อหน้าต่อตาคนแม่ทำไมว่าหลานนี่ นั่นแต่ปัญหาเราหนักใครจะมาศึกได้ต่อหน้าต่อตาคนไม่บวชเส้นมันดีกว่าที่จะบวชแล้วมาศึกต่อหน้า ต, ตาคนมุ้งึิงขายที่หน้ายิ่งว่าอะไรอีกนั่นไปบวชเนี่ยแต่เรามันจริงนิสัยเราบวชตั้งใจบวชตั้งแต่บัดนี้นะน ะ, อะสอนเจ้าของพ่อแม่มันเนยมาติดสอนหอยตามคอยตักคอยตือนแม้แต่เวลานอนหลับเพราไม่มีใครมาปลุกนะ จะปอนเรจะไปไหนแต่เ้าเท้านี่บอกแม่นะ่ะเพื่อนมากนี่จะบอกแม่ให้ปลุกบนับนพรุ่งนี้าจะออกคาละทิละาแต่เช้าแม่กปลุกแต่เช้าแล้วก็ไปเลยแล้วก็ล้มนอนตุ้มแล้วเหมือนตายทอดอะไรหมดเพราะคิดแล้วว่าแม่จะปลุกไม่สนใจเรื่องการตื่นนะพอถึงเวลาแม่กปลุกปลุกแล้วก็ไปอย่างว่าทีนี้แม่คงจะเห็นอย่างนั้นแ่ะผิดกันกับพี่ชายพี่ชายว่า คุณในเช้าให้แม่ปลูกหน่อยนะ่าดังไม่ปลูกมันตื่นเขก่อนไปก่อนแล้วอันนั้ลูกปลูกคนนั่นมันก็ดีแบบหนึ่งแต่ลูกปลูกคนนี้นเรื่องการเรื่องงานของมันกูยกให้ไม่มีอะไรไม่มีใครสู้ว่างั้นนึ่ในลูกทั้งหลายนี่แต่เวลามันนอนมันเหมือนตายเนี่ยกูหนัก อ, อกหนักใจกับมันเวลามันไปเป็นพระนี่กูมาใครจะไปปลูกมันน้าว่างั้นนะี่หน่งหนักใจตรงนี้อยู่ ไม่มีที่ยวไรเที่ยวมันจะตื่นขึ้นมาก่อนแล้วไปเลยโดยเราไม่ระลูกถ้าเราไม่ได้บอกว่าให้ปลูกมาหนะ้าวันคนนี้จะไปา ง, งานนั้นงานนี้ต้องได้ปลูกทุกทีลูกคนนี้อ่ะเนี่ยเป็นข้อหนักใจวางแม่เอาไปาวิภาควิจารแต่เราก็ไม่พูดเราได้ยินคนอื่นเล่าให้ฟังเพราะนั้นเราไม่ทำหนิ้เราไม่ติหาทางทำหนิ้ไม่ได้ยัหยาบยังหยาบให้มันเป็นผู้หญิงตัวเองแม่จะได้เบามือนี่พ่อแสนสบายว่ะ นี่พกเก้าจากบ้านเอาแล้วนะนี่ไม่มีใครจะตามแนะนำตัดเบือนเราตลอดถึงการหลับการตื่นไม่มีใครปลุกแล้วนะเราต้องเป็นเราเองตั้งแต่บัดนั้นเลยสิบตีสี่นอนเรียนหนังสือตีสี่นอนตีห้าสว่างเดือนเนี้เดือนมิถุนากรกฎาคมพอตีห้าสว่าง เพราะระว่างท่านลงธรรมะแต่เช้าก่อนแล้วที่่ อ, อบินสบายมันตื่นทันเห็นไหมผมก็แปลกเหมือนกันนะมันตั้งท่าของมันหนึ่งอย่างจริงจังไม่เคยพลาดเลยจะนอนตีสองตีสามตีสี่เรื่องธรรมดนั้นในท่านในเวลาพรรคนี้ตั้งสัจธรรมฐานไว้เลยว่าจะไม่ขาดทั้งเช้าท่านเย็นการธรรมดแล้วกาบเดียนท่านประครูไว้ด้วยว่าท่านหาก ว, ว่าท่าน สั่าให้เราไปที่ไหนถูกมิมน์ไปที่ไหนท่านเป็นคนกำนดให้เราไปนี่ก็ให้ท่านรอเยู่จนทั้งเรากลับมาถึงให้ทำวัดไม่หวง น, นี้นะนี่หมายถึงธรรมัดส่วนรวมส่วนบุคคิเราทําอีกที่นึงนี่เราอษษานุตตรนั่เรื่องส่วนรวมอันี้นเวลาบวชแล้วตั้งหน้าตาั้งตาปฏิบัติตั้งหน้าต่างตาเรียนหนังสือมีเล่าเป็นคติให้หมู่เพื่อนฟังะก่อนเรื่องความจริงใจงเรียนเรียนจริงๆไม่ถอย แต่สาคัญที่เรียนธรรมะเข้าไปตรงไหนทํามันสะดุดใจที่จะเอ๊ะเอ๊ะชอบคนชอบคนชอบคนเข้าไปเรื่อยด้วยอี่มันก็เข้ากับเราจริงอยู่แล้วธรรมะเป็นของจริงอยู่แล้วทฤษฎีจริงก็เข้ากันได้เอ๊ะชอบคนชอบคนอ่านประวัติพุทธประวัตินี้เข้าไปอ่านสาวกประวัติเข้าไปโอ้โหเอาแล้วที่นี่หมุนติวติวตินั่นแหละเรื่อง ที่จะที่จะอยู่ไปได้านเรื่องภายนอกว่าเราจีบไปจางไปจางไปเรื่องธรรมะอ็หมุนติวติวดูดดื่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราตั้งพระจารย์ถามในระดับหนังสือเมื่อจบรเรียนสามประโยคแล้วเราจะออกโดยข่ายเดียวเท่านั้นไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขเพราะอยากพ้นภพเหลือเกินพุนในอน่าอยากเป็นพระอรหันต์นั่นเองเห็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์สาวกทั้งหลายออกมาจากระมุนต่างๆระมุนพระธรรมหาเสษฐี ครูหลวพี่พอาประชาชนตลอดคนธรรมดาองค์ไหนออกมาจากสกลใดไปบำเพ็ญในป่าในเขาในหลังจากได้รับเทวว่าจากพระเจ้าแล้วแล้วองค์นั้นสำเร็จพระรหัน์อยู่ที่นั่นองค์นั้นสาเร็จอยู่ที่นั่นองค์นั้นสำเร็จอยู่ป่านั้นอยู่ในเขาลุงนั่นอยู่ในทำเลนี้มีตั้งแต่ที่สงบสงบัด การประกอบความภาคเทงท่านทําเอาจริงเอา จ, งอาจังเป็นเนื้อเป็นหนังเอาเป็นเอาตายเข้าว่าจริงๆถ้านไม่ทำละลแล้ะแหละเล่นๆรูปๆคำๆเหมือนอย่างเราทั้งหลายทําผลของท่านแสดงออกมาเป็นความเป็นพระรานยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นี่เลยมันถึงใจเจึงมุ่งมั่นด้วยที่นี่จิตมันเลยมุ่งถึงความอรหัตตะบุคคลเต็มหัวใจอยากเป็นพระรานศักองค์หนึอขอให้แน่ใจถือว่าธรรมนี้มรรคผลนิพพานนี้ยังมีอยู่ แล้วเราจะเอาให้ได้ไม่ได้เอาตายมีเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะขอให้มีผู้หนึ่งผู้ใดครูบาอาจารย์ก็ตามใครก็ตามมาชี้แจงแสดงให้เราทราบว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่เป็นที่ถึงใจเรแล้วนั้นหละการปฏิบัติของเราตัวมรรผลนิพพานจะเอาให้ถึงใจเอาให้ตายไม่ตายให้รู้มีเท่านั้นเองพอออกจากเรียนแล้วโดดถึงเลยอยู่ต่อไปไม่ได้เรียนประโยคนสามจบแล้วหนี่เรียนประโยคนีก็ผิด นั่นว่างอ่ะสอบไปแล้วยิ่งผิดันมันผิดไปไม่น่าถ้าลงคําสั่งได้ตั้งขนาดนั้นไม่มีอะไรใหญ่ยิ่งกว่าคำสั่งคือให้ตายจะดีกว่าถ้าลงคําสั่งได้ขาดไปนิสัยเรามันเป็นอย่างนั้นมาดังเดียวยิ่ต้องนึ่งขโมยหนีจาัอสมเด็จนี่นะหาวยวง ม, มุ่งหน้าพ่อแม่ผอวจานมั่นถ้าได้ถึงท่านเท่านั้นอธิบายท่านขี้เกีแสดงเรื่องอะไรไม่ว่าเราจะมองดูท่านทางตาฟังท่านทางหู อะไรไม่มีคาดมีเกลื่อนการหลับทำหลับข้างในพูดอะไรกลงไปกลงมาเป๋งเป๋งเอินี่ละอาจารย์ของเราน่ะลงนพูดแสดงถึงดังมากผลนิพพานไม่อามาจากไหนพอออกมาจากหัวใจเหมือนกับว่านี่หน้านี่หน้าเห็นไหมนี่หน้ามรรคผลนิพพานเห็นไหมเหมือนอย่างนั้นเหมือนกับท่าไทยตลอดเวลาการแสดงมาท้าไทยด้วยความจริงจังของท่านห้ึทาทยด้วยความจริงของธรรมนความจริงจังของท่านหมายท่านเป็นผู้รู้ผู้เห็นเนี่ย ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดเป็นผู้เห็นแล้ท่านหยิบยืมมาพูดมาเท่นั้เราฟังท่านเป็นผู้รู้เองเห็นเองในธรรมทั้งหลายมาา แ, แสดงให้เราความก็ถึงใจนั่นแหละทีนี้มียิ่งเพิ่มพอเข้าถึงใจเราทีนี้จะจริงไหมมาผลนิพพานต้องใสไหมที่นี่ไม่มีทางสงสัยหมดแล้วเรื่องมาผลนิพพานมีอยู่หรือไม่มีนั้นเป็นอ น, นหมดปัญหาแล้วโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลืออยู่แม้เปอร์เหนึ่งเลย าาผลที่ผ่านมีแน่ร้อยเปอร์เซ็นตเอาแล้วที่นี่จะจริงหมาจริงที่ไม่จริงให้ตายเสียนะตั้งแต่บัดนั้ น, หนแหละจริงพนักงานผมงสมุขทั้งบังมากจำประกอบความภาพเูมิมต้องผมเป็นนิสัยอย่างนี้ด้วยไปไหนไม่อยาเอาหมู่เพื่อนไปด้วยอยู่คนเดียวดิบถึงถึงถึงจนกระทั่ ง, ทงเลนมาเป็นครูเป็นอาจารย์ของหมู่เพื่อนโดยไม่ไม่ได้นึกไม่คาดไม่ฝันนะว่าผมจะได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่เพื่อนเพราะนิสยยัยของรอน มันนิสัยคนเดียวแท้ๆนิสัยไม่ตาดทนายเรื ม, มั่งใหญ่ไปสูงแล้วมันไม่เคยปรากฏภารกิจใจเลยหลักเป็นให่เป็นโตอยากเป็นนั่นเป็ น, นี้มันไม่เคยมีมีแต่สมัยสมายสมยัสมยเดินจงกลมท่านอยู่ในวงหมู่เพื่อนเช่นมาอยู่บ้านน้องผืออย่างเนี้ยผมจะเดินจงกลมให้หมู่เพื่อนเห็นไม่ได้ดนอนต้องเวลาสังัดสี่ทุ่มห้าทุ่มลงไปแล้วนั่นหมู่เพื่อนเงียบหมดแล้วถึงจะลงเดินจงกลม การวันเข้าไปอยู่ในป่าพอภาวันไหนออกมาแต่วันเช่นห้าโมงเย็นออกมาอย่างนี้ก็ขเขา น, นั่งสมาธิเสียในอติจนกระทั่งถึหมือเพื่อนเงียบไปหมดแล้วถึงจะหลงทาง น, นกลมเป็นนิสัยอย่างนั้นหมานตั้งแต่ไม่เห็น ใ, ใครเห็นทนประ ก, กอบความเพียรต้องเราว่าเพียร น, นาดไห น, นแต่ธรรมดาใครก็รู้ทานโยกรมันจะเป็นขุมเป็นเหวไปมันใครจะไม่รู้ เดินอยู่กมกี่ชั่วโมงมันถึงจะเป็นขนาดนั้นอยู่ในป่าก็ดียิอ่อ น, นี้ก็ดีมองดูมันก็รู้แต่นี่สายเป็นอย่างนี้ถ้าภาษาถ้าภาษาทอดนี่สายรักความปราวาัติมันแต่เราไม่สนิทใจเหมือนบึกรน่นเต็มที่จะอะไรจะบังคับบัญชายากยิ่งกว่าจิไม่มีแต่ยังไงก็ตามไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความความฝึกความปามระมาณแต่ได้ต้องเอากินเอาจางกับกิ กิเลสมันเอาเรามันเอากินเอาจางังทำไมเราจะแก้กิเลสเวลาจะแก้กิเลสจะไม่กินไม่จังมันกระทันกันเหมดต้องคิดข้อนี้เสมอผู้ปฏิบัติทำมาที่ได้ทำมาแล้วก็ได้สอนหมู่เพื่อนอุบายวิธีความเข้มแข็งนั่นแหละเป็นสิ่งที่ให้กิเลสค่อยหลุดรอไปโดยลํำหนัะแต่ความพทอถอนอ่อนแอนี้ไม่มีทางนอกจากเป็นการเพิ่มกิเลสเราจะไปสงสัยกิเลสว่าจะหมดไปด้วย ตามอัจฉริยะสยของเราประกอบความเพียรเนี่ยตามมัจฉริยะสายอืมตามอัจฉยะสายนั่นเป็นอัจฉริยะสายกิเลสกิเลสลากไว้ดึงไว้มาให้เดินไม่หนักไม่มีสติสตังเออเราอยู่ตลอดเวลามันเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นเรื่องของธรรมต้องเป็นผู้เข้มแข็งอยู่ที่ไหนก็มีสติเสมอนี่พูดอยู่เสมอเราเห็นคุณค่าของสติมากทีเดียวสติเป็นธรรมต้าคขัญมากในการที่จะให้งาน ไหนจักตัวใดยิ่งหมุนติ้วก็ต้องจักตัวนี้ตัวสตินี่หมุนไปก่อนสติต้องเป็นผู้ควบคุมงานงานมีกี่มากน้อยที่จะทำหนักเ้าขนาดไหนมีคนงานกี่คนต้องมีคนคุมคนหนึ่งจนได้อย่างน้อยนี่ต้องมีสติเป็นเครื่องควบคุมงานของตนอย่าหนุนอ่อนแอไปไหนก็ตามอย่าไปหวังสิ่งอะไรอะไรกับอะไรในโลกอันนี้ โลกอันนี้เราทราบแล้วอย่างถึงใจว่าโลกอันนี้จังรอบโลกธาตุเต็มไปหมดไม่มีสิ่งใดที่จะเว้นจากอันนี้ความเป็นในจังทุกขังนตาก็ได้เมื่อความเป็นในจังทุกขังนาาัตายมีอยู่ในสถานที่ใดสถานที่นั้นไม่เป็นพุนเป็นไปจะจะเป็นอะไรไว้ใจกันได้ที่ไสิ่งที่เป็นน้ําให้ความร่มเย็นแก่เราคือน้ําอาบน้ำำําทํำเร่งเข้าไปความภาคความเทียว มันจริงมันต่างให้มีสติเดินจงกรมก็ให้มีสติอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นใดว่าจะมีคุณค่ามีราคาอย่าไปเพลินกับความคิดความตุ้มของตนในเรื่องต่างๆขึ้นเรื่องโลคโร่งสงสารที่เคยเป็นมาแล้วในอดีตก็ดีเป็นไปจะเป็นปณนอน า, าคตก็ดีหรือมันเอาเรื่องอดีตมายุ่งอยู่ในปัจจุบันนี่ก็ดี มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลทำงานอยู่ภายในของใจเราทั้งที่เราเดินจงกรมอยู่นั้นแหละนั่งสมาธิเรานานนั้นแหละแต่กิเลสมันทำงานอยู่บนหัวใจเราตัวสมุทัยได้จากความคิดรูงแต่งเรื่องอดีตอะไรก็วุ่นไปหมดถ้าคิดไปเพว่ความวุ่นเช่นนั้นไม่ใช่ทางเป็นเรื่องการส่งเสริมกิเลสหรือสั่งสมกิเลสขึ้นอีกต่อมาใช้หลักปัจจุบันคือสติ บาดความเสียดายความห่วงอยอะไรทั้งหมดในเรื่องอดีตซึ่งเป็นโลกล้วนๆเรื่องอนาคตถ้าเป็นโลกล้วนๆเมื่ออดีตเป็นโลกล้วนๆอนาคตมันก็ต้องเป็นเป็นโลกล้วนๆล้วนๆเหมือนกันขาสติเป็นไปได้ทั้งอดีตอนาคตหมุนติ้วอยู่ภายในหัวใจนั่นนั่นแหละให้รับความทุกข์ความลำบากถ้าสติเจอะลงตรงไหนปัจจุบันมีอยู่ตรงนั้นนะหักห้ามกัได้ที่ตรงนั้นเผยหักห้ามมาแล้วนี่ไม่ใช่มาสอนหมู่คนเฉย วากันบางครั้งถึงน้ำตาร่วงเลยเออเอาขนาดที่ว่ามีเท่าเลืก็บอกว่าไม่ขนาดนี้ที่เลือดมันดูดลอยไปเหลือที่ทําให้ถึงขนาดนี้วะว่าอะไระเพียงน้ําตาร่วงเท่านี้ว่าตายแต่ยังจะไม่ถอยนี่นาอี่ยมาพูดเลยเพน้ําตานี่นาเพียงเผ็ดมันก็ออกน้ําตาเหมือ น, นได้เยื่ออะไรถูกควานไฟมันก็ออกหัวเนาะมันก็ออกก็ให้มันก็ออกนี่ มันได้เรื่องอะไรเรื่องจริงเรื่องจังที่จะเป็นสาระการสารจะตัวคืออะไรมันเหนือเรื่องเหนือนี้หนักฟาดลงไปให้มันหนักมือปฏิบัติเราเห็นโทษถึงเรื่องความเกลื่อนกลนวุ่นวายโดยอกรอมกภูวาจารมาละหล่อแหล่ๆให้เห็นต่อหน้าต่อตาเห็นมาแล้วอย่าให้เห็นอีกนะนี่ได้เห็นมาแล้วต่อหน้าต่อตา ถึงขนาดที่พูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้เพื่อนสูงฟังมันก็เป็นประอย่างที่พูดไม่เห็นผิดไปนี่ก็ดีอนี่เวลาอยู่กับครูวาจารย์มันเอ่าท่อนเล็บนะมันไม่กลางเล็บออกมาแต่มันก็เห็นเล็บอยู่จนหน้านั่นแหละเวลาปราาึกจาครูวาจันหรือห่างเหินจากครูวาจารย์ไปแล้วมันจะกลางเล็บเล่นเต็มเพลงนั่นแหละเพลงของกิเลสนั่นะใครมี ดีก่อใจวิเศษวิโสยังไงมันก็จะแสดงตัวให้เต็มคูมแหละทั้งๆที่มันไม่มีเศษค่อยดูรู้กันแล้วมันก็เป็นแล้วอย่างตัวนหนึ่งหมดไม่อยากพบไม่อยากเห็นน่ะมีจำนวนมากจำนวนน้อยใครจะเอาถือใครว่าเป็นอย่างนอกจากเหนือไปจากษ์ธรรมธรรมเท่านั้นที่จะทําให้รับความร่มเย็นเป็นสสันติสุขในหมู่คณะด้วยกัน อยากเข้าใจว่าเรียนมากรู้มากอยาเข้าใจว่ามีฐานะดีอยากเข้าใจว่าเป็นคนทัานนั้นทันนี้ซึ่งเป็นเรื่องของโลกอย่านำเข้ามาเกี่ยวข้องในวงของพระซึ่งมีแต่ธรรมคือความถูกต้องมีงามรื่นร่วนเอาตรงนั้นอยู่ด้วยกันให้พูดให้ฟังโดยเหตุโดยผลผู้พูดก็ให้พูดโดยเหตุโดยผลผู้ฟังฟังห า, าความจริงอย่าฟังหาเรื่มความทะเลาะอย่าฟังเอาคิดถี่มานะ เมื่อทิฏฐิมาหน้ามันเกิดขึ้นภายใจแล้วมันก็อาจอัานภายในใจในหัวใจตัวเองเดี๋ยวมันก็กระเด็นออกมาระบาดออกมาทะลักออกมาให้รับความอรู้เตือนต่อเพื่อนฝูงด้วยกันจํานวนมากน้อยจนได้เวงปฏิบัตินี้ต้องเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันอันต้อยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกถ้าไม่เหมือนอวัยวะเดียวกันแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้ทำนั่นแหะที่จะทําจิตใจของเราแต่แล้วท่านนะองค์ที่อยู่จํานวน มากนี่ให้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ด้วยความผัดความจริงด้วยความมุ่งอัดมุ่งถักไม่ใช่อย่างใดเนี่ยอย่างอื่นอย่าเอาเข้ามาเกี่ยวข้องแม้แต่ผมเองุ่มปกครองหมู่เพื่อนหรือนี่ที่หมู่เพื่อนแจกสารตั้นดาวว่าผมเป็นครูเป็นอาจารย์เข้ามาอาศัยผมให้ผมแนะนำตักเตือนรอนผมก็ไม่เคยเถืออำ น, นาจวาสนาผมให้นอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักนียไหนนี่เลยผมประกาศตัว ก, กับต่อหมู่เพื่อนเสมอถ้าผมผิดได้ว่าได้เลยอ ไม่ต้องเกรงอกเกงใจเพราะทำเหนือผมนี่แล้วผู้นำธรรมมาตักเตือนต่างสอนผมผมจะไปขัดข้องได้อย่ been, างไงถ้าขัดข้องผมก็ไม่เป็นธรรมก็ไม่ควรจะอยู่กับหมู่กับเพื่อนนะสิสอนหมู่เพื่อนไปเพื่อประโยชน์อะไรแล้วของไม่เป็นธรรมถือทิฏฐิมานะเอาทิฏฐิมานะมาเหยียดย่ําทำลายธรรมแล้วจะสอนหมู่เพื่อนให้เป็นชีริมงคลได้อย่างไรนี่เราตั้งหนักเสมอในใจของเราเราให้เป็นการใหสิ่งเหล่าน nice. <the> ี้เกิดขึ้นมาไม่ได้การสอนหมู่เพื่อนที่ ที่อยู่ด้วยกันก็ให้พึงปฏิบัติอย่างนั้นให้ถือหลักธรรมเป็นสําคัญต้องให้อภัยกันเสมออย่ามองกันในแง่ร้ายให้มองกันในในง่เหตุผลและเมตตาต่อกันเพราะความรูกอภิาญาใจใจความกับเรามึ่เหมือนกันผู้มีความรู้มากก็มีความรู้น้อยก็มีผู้โง่ผู้ฉลาดมีสับคนกันไปผู้อยากผู้ละเอียดมีให้ต่างคนต่างระมัดระวังสิ่งใดที่มีอยู่ในเจ้าของยิ่ง สิ่งที่จะเป็นภัยต่อหมู่เพื่อนเราให้น้ำมันระวังกําจัดให้ได้ให้ดียาแสดงออกมาเป็นน้ำาลซึ่งเป็นการขายตัวอย่างเลว ร, ร้ายที่สุดให้อภัยไม่ได้เลยเนี่ยหลักของการปกครองการอยู่ด้วยกันเป็นอย่างนี้จึงต้องนน้ามารราันระวังแล้วพูดเสมอว่าการปกครองเป็นของร่างกายไม่ใช่ว่ามีเท่าไรมาเท่าไรก็เออเ อ, อยู่ไปอยู่ไ ป, ไปมันไม่ใช่อย่างนั้น ตางคนต่างหาที่เรศมาด้วยในหัวใจเจของทุกคนเพราะเป็นคนมีที่เรศเป็นปุถุชนทําไมจะไม่หาที่เรศถามี่เรศมาเป็นหัวใจล่ะแล้วที่เรศมันลงกับอะไรที่ไหนเมื่อไรแต่กับทํากับธรรมมันยังต่อสู้แม้มันจะจะแพ้ธรรมก็ตามมันต้องต่อสู้ซะ ก, ก่อนก่อนที่มันจะแพ้ที่เลรศไม่กลัว อ, อะไรนอกเหนือไปจากธรรมเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยธรรมคือสติเป็นสําคัญปัญญาเป็นเครื่องไกกรอง ทดสอบพิจเสนาเบิกทางเดินไปเพื่อความสงบเย็นใจจากตัวเองทางการปฏิบัติก็ให้มันกินมันจังยาแลหลอกเลยแหละอย่าเล่นอยากสําคัญว่าวันคืนปีเดือนเป็นของมีค่ามีราคามันมีราคาที่ไหนเมื่อจบแจ้งเอาราคามาจากไหนสถานที่โลกอันนี้มันก็มีแต่แผ่นดินทั้งนั้นใครที่ไหนอยู่ที่ไหนก็อยู่แผ่นดินใครสูงไครต่ำที่ไหนก็อยู่กับแผ่นดินด้วยกันนี้ใครชีวิเสื่อมวิส ไปที่ไหนถ้าไม่ทํากิตใจให้วิเศษที่ ส, สุดด้วยธรรมซึ่งเป็นของประเสิฐ อ, อยู่แล้วและสงควรกันกันกบใจใจเป็นพาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมมีเท่านี้ให้พากันสนใจตั้งหลักตั้งเตรียมลงให้ดีจิตใจให้รับความสงบทำไมจะสงบไม่ได้เล่าฝึกฝนรวมใจด้วยธรรมเพื่อความสงบพระพุพทธเจ้าสงบได้ด้วยธรรมระงับใจโดยธรรมปราบยิ่เยี่ยที่ิดหายวายกลวงไปได้โดยธรรมระสงสักที่เรา ถือเป็นส น, นะท่านก็ทุกข้อลำบากท่านข้อความปราดที่เไรได้โดยอาจจะทําเหมือนกันเป็นพระสาขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์พุทโธพุทโธเหมือ น, นพระพุทธเจ้าเป็นแต่อย่างไม่เรียกองค์ศาสดาความบริสุทธิ์นั้นเสมอกันเหมือนกันหมดแต่อำนาจวัฒนะความดึกตื่นหนาบางนั้นต่างกันกับพระพุทเจ้าอยู่มากแต่อย่างไรก็ตามนาฏเสเ้ยววปาติโยหาความยิ่งความย่อน ต่างกันไม่ได้ในความบริสุทดนั่นแหละครูของพวกเราสารณะของพวกเราท่า น, นําเนินอย่างนั้นต้องยอมรับเสมอแล้วก็มาเป็นกติเตือนใจตัวเองอย่าให้ลดละท้อถอยจิตอย่ามันดิ้นไปไหนได้เราเป็นผู้ฝึ ก, กจิตจะยอมให้จิต ด, ดิน้นเหยียบหัวเราไปต่อหน้าตา น, นี้เหรอไม่ใช่นักปฏิบัติถ้าเป็นอย่างนั้นมันแรงขนาดไหนเราก็แรงขนาดนั้นเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเอามันยังดื้อขนาดไหนไม่กินก็ได้ข้านี่ว่า นี่จะต้องมีแรงกระท่าจะฝึดทรมามันเอามันจนอยู่หมัดอย่างว่าอทางบริพทาท่านยกประมาล่วงในสารถีฝึกขัดมา้าม้าตัวที่ฝึกขัดง่ายให้มันอยู่กินตามสะดวกสมายเพราะม้ามีหลายประเภทม้ามีทั้งสี่ประเภทนะั้นประเภทหนึ่งเยี่ยมเือบจะพูดใช้ว่าเป็นประเภทอาชรนนัยฝึกได้ง่ายใช้ ในประโยชน์มากมายรวดเร็วทันใจ<ห>ประเภทที่สองลดกันลงมาประเภทที่สามฝึกยากพอประมาทแต่ไมไ่หนักหนานากั s. <S กพอฝึกได้ประเภทที่สี่ไม่ได้เรื่องเลยต้องฆ่าในวันนั้นไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ท้าทฤษฎเหมือนกันทันทีพอถึงตอนสุดท้ายเขาบอกเราจะท้าทฤษก็ฆ่าในวันนั้นอ่าพุทิเ้า เราฆ่าได้ยังไงพระพุทธเจ้าเป็นศ า, า, าสาด า, า, า, า, า, ม, ามันไม่ได้ฆ่าศาสาดาเขาก็ชักสะพานยังไงหลักตันหลักนั่นปัททะปรมะมืดแบบทิศแบบด้านเหมือนไม่มีหูมีตาใจก็มีแต่ความมืดบอดุยู่ภายในแล้วจะสอนให้มันเป็นอัตเป็นธรรให้รู้อัตรู้ธรรมรู้บาปบุญคุณโทษได้ยังไงก็เหมือนกับคนตายแล้วตั้งแต่ที่มีดีวิตนั่นแหละนั้นจึงชักสะพานไม่สอนให้เสียเวลาเวลาอัตทําอะไรเลยอ๋อฆ่าอย่า ง, า ง, น, น, างนั้นนี่ เทียบกันกับสารถีเราไม่ใช่ประเภทตัทธาป ร, ะะปรมานาี่มาประเภทที่ฝึกผลอบรมได้เอาให้หนักทำมันได้ฝึกเราแท้ๆไม่ได้ฝึกผู้ใดเราฝึกคนอื่นว่าคนอื่นต้องมีมุญหญ่หนึบมึงมีอะไรเวลาภายในใจตัวเราเองผู้ว่าก็ยังมีความเกรงอกเกรงใจกันบ้างเราเองฝึกทรมานเรานี่เอาให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างไใจหวังนั่นเลยไม่ได้เกรนอกเกรงใจตัวเองเพราะเห็นว่ากิเลสคือเรื่อง ขวางตัวเองต่างหากไม่ใช่เราขวางเราเกีเรติขวางเ ร, เราเ ร, เราต้องโู้ความจริงหนึ่งตั้งแล้วหมอบจิตถ้าลงในตั้งท่าสู้กันขนาดนั้นแล้วยังไงก็ต้องหมอบเห็นสงบจนได้เห็นไม้เขาอยู่ในโลกนะ่ะเราเค่อยพูดให้ฟังเสมอโลกอันนี้เต็มไปด้วยหมูนไปตามสิ่งที่ชอบใจทั้งนั้นน่ะ รูปเฉียงตีนรถเครื่องสัมผัสเป็นสิ่งที่โลกต้องการและรักชอบที่สุดไม่มีวันอิอ่มพอและโลกบกริรับความที่ผายลมจมและบ่นเพ้อระเมอกันอยู่ทุกหย่อมยาเพราะสิ่งเหล่านี้เองน่ะแล้วเราจะคุณนค่าอะไรจากสิ่งเหล่านี้ส่วนผู้เห็นธรรมแล้วไม่มีใครที่จะบน่นอกจากออกอุทานทน่านอย่างพระมหากระบินตันวสุขข้างวาตตะสุขข้างวาตาัตตะสุขนอ้อยสุข น, น้อยท่านเป็นพระมหากษัตรย์มาแต่ก่อนอเสด็จลงมา บวชแล้วเป็นพระธรรมขึ้นมาแล้วท่านเกิดอุทานมาสุขข้างวาตั้งวาสุขหนอสุขหนอน่ะน่นตั้งแต่ท่านอยู่ในพระราชวังท่านไม่เห็นได้บวชไม่ได้เห็นออุทานมาสุขหนอหนอเวลาเสด็จออกจากทีงพัวพันทั้งหลายแล้วมาสลัดภายในจิตใจออกอยู่โดยแล้วเป็นการเป็นใจที่บริสุทิ์แล้วอยู่ไหนก็สุขหนอสุขหนอสุกข้างวาตัสุขข้งวาตันั่น เราก็เอาให้ได้ที่สุขังวตะอยู่ที่ไหนอยู่กับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยสติด้วยปัญญาอย่านอนใจนี่แหละทางแห่งสุขังวัตตะอยู่ตรงนี้นี่เรียกจะตายไปด้วยความเพียรที่เรียกจะค่างหมดไปด้วยความเพียรไม่ในหมดไปด้วยอันไหนทําความเข้าใจกับตนไว้เสมออย่าอ่อนแอหลักของการปฏิบัติ สมาธิที่เคได้ยินแต่ชื่อก็จะปรากฏขึ้นที่ใจมีความสงบเย็นภานใจมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นที่กิตปัญญาเมื่อมีความสงบพอเป็นป่าเป็นทางเป็นบาทเป็นฐานนะให้พิจารณาอยากที่เกีย่ยวเราอยากเข้าใจว่าสมาธิจะทรงคุณค่า้เป็นของเลือดกระเสือดอันใดเลยเพียงแต่ความสงบตะล่มกิเลสเข้ามาเท่านั้นนะถ้าไม่ฆ่ามันก็เพ่นพลานไปแล้วออีกกิเลสเมื่อตะล่มเข้ามาสมงสวนแล้วที่นี้ ขี้พาไปฆ่าเอามาฆ่าทีละตัวสองตัวเหมือนกับเหมือนกับเราเราไล่สัตว์คลอกแล้วเราจะฆ่ามันทีละตัวของตัวฆ่าเรื่อยฆ่าเรื่อยฆ่ามันจนหมดคลอกก็ได้เมื่อไล่เขาคอกแล้วสมาธิเหมือนกับไล่สัตว์คอกคือไล่ที่เรศเข้ามาสู่ความสงบแล้วที่นี้คขี้พาไปด้วยปัญญาแยากนั้นแยกนี้ดูเห็นอนนี้จังเต็มหัวเต็มร่างกายเต็มจิตใจทําไมจะไม่รู้ รูปทั้งรูปนี่มีอาการใดที่ไม่เป็นอนนีจังทุกขังนัตตาเห็นให้เป็นพื้นอยู่อย่างชันอย่างนี้เราค้านความจริงไปไหนอันนีจ้จังแปรสภาพตลอดเวลาทุกขังใครเป็นทุกข์ก็คือผู้แบกผู้ขามนี่แหละเวลานี่มันเป็นทุกข์อะไรจะเป็นทุกข์นอกจากผู้แบกผู้หามเป็นทุกข์คหัวใจนั่นเองเห็นโทษในความหลงของตัวเองที่ไปแบกขามแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาอ น, นัตตาเนี่ย ตาตากคำว่าเป็นจัดเป็บุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาไป็นหมดแล้วภายในร่างกายคนดีภายในจิตเจตสิกกรรมจะแดงมาล้วนแล้วแต่ตัวอนิจจังทุกขังหน้าตาแต่ว่าเราหลงไปตามมันเจตสิกกรรมจะแดงมานี้มันก็เป็นตัวสมมุทัยก่อตัวเป็นที่เป็นไปเป็นมาแต่เราเนี่ยถใช้ปัญญาพิจิปิจนาไข่ควนเข้าไปให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาแล้วสิ่งขงนี้ก็ระงับดับไปดับไป ดับไปเรื่อยๆไม่พ้นจากความจริงขอให้พิจารณาอย่างสติปัญญาลงไปถึงพื้นฐานของความจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นความจริงซึ่งเป็นพื้นฐานอยู่ภายในร่างกายจิตใจของเราในขันธ์ทั้งห้านี้มีอันนี้เป็นพื้นฐานอยู่เสมอที่จะต้องพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงของมันเรียกว่าปัญญา อจะพจรณาเรื่องอสุภะกเอาให้มันเห็นก็ได้สิลาตัวของเรานี่มันมีชิ้นไหนเป็นชิ้นดีชิ้นที่หอมหวนชวนให้ชมชวนชวนให้ดมมีที่ตรงไหนแม้แต่ผิวหนังมันก็เหม็นบางในแล้วเยิ้มเข้าไปข้างในนันมันมีอะไรอีกมันบางยิ่งกว่าอะไรกระดาษหนหนากว่านี้นะที่หลอกตาเนี่ยเจนนาเข้าไปสิจิตสัง กขังกันตายแล้วยังไม่แล้วดูความอรุณพระสุพัรณปาท่าผีดิบไม่ใช่เป็นเป็ดเป็นไก่เป็นหมูเป็นวัวเป็นควายเป็นอะไรเต้นอยู่ในนี้หมดทั้งแหละในปาท่าผีดิบนี่ไปรวมกันตรงตรงนี้นี่ปาท่าผีดิบเรายังไม่ตายพวกนั้นตายแล้วเร า, เาฝังนรงในนี้นี่แล้วเมื่อเราตายแล้วก็เป็นปาท่าผีตายดูให้มันชัดเจนปัิจปัญญา เนี่ย yeah, ส่วนแบ่นส่วนดูให้ชัดจิตให้มันหมุนติ้วจิ้วอยู่กับงานที่ตนทำยาให้มันออกไปเป็นภาพบางครับให้ได้ตายก็ตายในขณะที่จะประกอบความเพียรต้องต้องเหมือนกับขึ้นเวทีเผอไม่ได้เดี๋ยวถูกน็อกชักยึกตายไปเลยไม่เพียงแต่สลบ อ, อันนี้เอาอย่างนั้นนักปฏิบัตนนิจังใครมันเห็นอย่างถึงใจอันนี้จังของเราแล้วก็ดูข้างนอ ก, กเหมือนกัน ขังหนาต า, าดูนี้กับข้างนอกมันก็เหมือนกันไม่เห็นพีมีราจิตการเพราะโลกนี้เป็นโลกอย่างของหตาเอาสุภาพสุภาพพิจารณาดูตาแล้วมันก็เหมือนกันีทั้งโลกวิถีของเป็นคุณสมบัติของสาวโลกโลกวิถีคือรู้แจ้งเห็นจริงทั้งภายในภายนอกความเป็นสภาพเหมือนกันหมดอย่างนี้เรียโลกวิถีที่มีได้ทั่วไปเป็นคุณสมบัติของสาวโลกทั่วไปส่วนคุณสมบัติของพระเจ้าไม่มีแต่เพียงเท่านี้ยังยังทราบ ความจริงของจริงทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายอีกด้วยโดยโลกวิถีมีหลายขั้นหลายต่อเราไม่ไม่ต้องพิดารณาไปนู้นให้เกี่ยเวลเเวลาหน้าที่ของเราที่จะจเอาให้โลกวิถีในเรื่องรู้แ จ, จ้งขงจริงในเรื่องถัดเรื่องขันที่มีอยู่ภายในตัวที่มันผูกพันแลเดิงกันอยู่ด้วยอุปท า, านทอดความรุ่งหลงของเรานี้เท่านั้ น, นสําคัญเอาเอน ทางทาท่านเดินทางท่านบอกว่ามันไม่ไปมันติดมันแงมันปีนสองภาคทางหกล้มก้มกลาวขนาดไหนมันก็ยังไม่ถอยมันไม่ยอมไปตามทางนั้นแหละเรียกว่ามันเป็นค่าติดต่อมาคิมาปฏิปทาฝืนมันลงไปหมารู้แจ้งจริงๆ้งเรื่องถับทั้งขันแล้วที่เหลือมันจะไปไหน นเดี๋ยเกิดขึ้นเกิดความสําคัญเมื่อแจ้งความสําคัญด้วยความจริงแล้วมันก็ถอนตัวไปถอนตัวไปความันลงที่บ้านฮันแบดมันเปหมดมันถอนไปไหนถอนเข้าไปไหนมันก็ประหาจิตดวงเดียวเท่านั้นมันไปหมดที่ยึดที่เกาะเพราะอำนาจของฤกิปัญญาตีตะล่อมเข้าไปตีต้านเข้าไปตั้งนเข้าไปมันก็วงแคกเข้าไว้แค่เข้าไ ป, าาไปสุดท่านก็ไปกองอยู่ในจีต เอานิวเคลียร์ลงในจิตอี่ทีนิวเคลียร์หมายถึงอะไรประมาณูหมายถึงอะไรจะทําลายเป็นบรรลสุดท้ายเอรราชัยชนะก็มหาฤกษ์มหาปัญญาที่อย่างลงไปตรงนั้นมันขาดสะบัน้นแต่กระจายหมดมันมีชาติอยู่ที่ไหนมันที่เด็ดซึ่งเป็นตัวภบตัวพาให้ก่อภพกาะชาติมันถูกทำลายลงไปหมดเดือดหนักของ อาวุธที่ทันสมัยได้แจ่มาจิตมาปัญญาแล้วมันก็หมดเท่านั้นมีแต่งานของพระงานของผู้ต้องการพ้นจากกองทุกข์ในะวัฏฏ์ทุกข์ารไม่ต้องมาเกิดกเจ็บปวดอกีก็คืองานการประกอบความภาคเทียนนับตั้งแต่เกศาลงมาหนาะส า, า, าตันตาแตจูมาที่เข้าวิชาและมอบให้ตั้งแต่เบืนน้องต้นจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายปีกระจายไปหมดงานแต่ขแขนงแตด้วยความฉลารความส า, า, า, ามารถของตัวเอง จะยกงานให้ได้มากขนาดไหน ม, มันได้ทั้งนั้นจะดิบเป็นยามดีแล้วเอาจกนกรทั่ไม่มีอะไรเหลือเลยชิ่งสุดวิมุตท่านิพพานภ า, ายในจิตกจนั่นเราเรียกว่าเสร็จแล้วงานได้ทำสำเร็จหนุงไปแล้วไม่ต้องทําอีกเพื่อถอนถอนที่เด็ดตัวใดงานของพระให้พระกัณฑ์จับอย่าไปคิดว่าบวชมาแล้แต่ก่อนั่นสร้างนี้ไว้เป็นที่เรื้อ สราวัดสางวาสร้างพระุรูปปฏิมากรส้างโบสถ์้งางวารสร้างลงธรรมเจดีย์มหาเจดีย์ยุ่งไปหมดกรอบกวนบ้านเมืองยุ่งไปหมดเป็นสัมมาทิฏฐิเออเป็นสัมมาสังปสังมาสังกโตัมมาสังกัโปโมันสัมมาสังกัปโปในขั้นยานั่นแหละแต่ สมาธิโบขั้มดาบนั่นแหละมาเป็นค่าศืกต่อสามมาทั้งกปุขัข้มละเอยียดที่จะค่าที่เป็นปัญิใจเลยกกาเป็น Mid มิจฉาสังกป่าไปเสียโดยไม่รู้ตัวนะเอาตรงนี้เนี่ยเอาไหนย่นเข้ามานี่สิสมาธิความเห็นชอบะเห็นอะไรเห็นชอบให้เห็นชอบตามงานงท่าน ท, ท, ที่สอนนี่เจสานุมาณข า, าตัณฑ์ตัวมันคืออะไร ยังลงไปงทั้งๆัริยังค์ทุกขงาาังนรตายัางลงไปทั้งอริยภาพทุกขังนีเห็นชอบตามที่ท่านสอไนไว้นี่อื่ธรรมะสัง็ปาฏิบความดํำดีเพื่อออกจากเครื่องผูกพันอะไรเป็นเครื่องผูกพันก็ความหลงสิ่งของนี้แหละเป็นเครื่องผูกพันตัวเองพิจารณาให้เข้าใจโดยปัญญาแล้วมันถอนตัวเองะธรรมะกรรมาตากเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้าง อยู่ในท่าอะไอิเดียบทใดนี้แต่การทํางานด้วยความมีสติเพื่อถอดถอนจิตตัวายเดียวนั่นสัมมาสัมมาสัมมันตะสมาสม า, มาชีวะเลี้ยงคิบชอบในอารมณ์ของจิตอย่าไปคิดอารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาเผาดนตนเองมีแต่อารมณ์แห่งอัดแห่งทำเป็นเครื่องถอดถอนจิตเดชเป็นเครื่องเลี้ยงจิตจะให้มีความรื่นเดิง ม, มันถึงมีความสงบเย็นใจมีความสงา่าผ่าเผยนั่น ธรรมมาอาศิวะธรรมมาวายามะเพียรชอบท่านก็นบอกว่าเพียรในที่ศีรษฐานหนว่เนี่ยเพียรละบาบปบำเพ็ญบุญเพียรละบาปที่เกิดอย่างนีไ้ไม่เกิดขึ้นเพียรละที่เกิดที่มันลาไปแล้วไม่ให้มันเกิดขึ้นดีแล้วพยายามอบลมทําที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและทําที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นโดยลําดับลาดาเนี่ยทางความเพียรสี่อย่างท่นก็นพูดไว้แล้ว นี่ธรมาวายะมะธรมมาสติแล้วลึกอยู่ที่ไหนท่านบอกถ้าจะไปทางสติปันสีก็ ล, ลึกอยู่ในกายกายกายายการโนสีวิหารติท่านแจกพิภูกา ย, ยายการโนสีวิหารติอิท้าพิขูอัตตังวากา ย, ย, ยายการโนสีวิหารติวิธามากายเยกรยารโนสีวิหารติ ปัจจตาวิธากายเกจการู้ี่วิหารติสมุรัยธรรมกายเกจการู้สี่หารติวยธรรมาตกายเกจการู้ี่หารติสมุทัยวยธรมาตกายเกจการูสี่หารติพิจาณาการในกายเรื่อยอแล้วก็กายนอกผมก็ยินเราพิจารณาเห็นกายนอกพอดเห็นกายในพอดีเราพิารณาเห็นกายในกายตัวเองก็ดี ไล่ไปโดยลำดับหนะแล้วเมื่อเห็นแล้วก็อยู่อยู่อยู่ด้วยความสงบสูกอยู่ด้วยความสงบสนี่เรียกว่าเห็นกายในกายเห็นเรียกว่าพิจารณากายในกายในบทสุดท้ายท่าน <c oughs> ย่นเข้ามาว่าอติกายติวะปะนะตาลติปฏิ ป, ฏปฏติกาโหติยาวะเดวะยาวะเด ว, ยวะยานมมัตตายาปะติปิติมัตตายา อันนี้ที่ตนจะมีหน้าตินั่นแหละกิโลเกวปาเยติเอวังโคภิคุกายการุที่กายานุที่หนติเนี่ยจะพูดถึงเรื่องสูตรท่างก็ บ, บอกว่างั้นสติอย่างตงไหนที่พูดอย่างตงกายถ้าจะพิจารณากายเอาพิจารณาจริงๆให้มีจิตรูร้อยู่กับกายเท่านั้นสติควบคุมอยู่กับกายนี้เท่านั้นจะแยกไปในส่วนใดอวัยวะใดแง่ใดของกายเอาให้มีสติสืบเนื่องไปโดยลำดับนี่ แล้วกับพิจณาเวทนาก็เหมือนกันให้สติติดแนบไปกับงานเลยให้มีความรู้อยู่จำเพราะเวทนาเานั้นไม่ให้แยกให้แยกไปไหนเรื่องทำเรื่องผิดก็เหมือนกันนั่นแหละกับกายเวทนาไม่เห็นผิดกันอะไรเลย ล, ลง้นเดียวกันอติกายโยติอติเวทนาติอธิกติตตานติอติธรรมมาติ วาพราวาพราสาสติปฏิบัติตาโหติเหมือนกันนั่นแหละลงอันเดียวอเดียวกันหมดคือสติให้ลึกอยู่ในสื่สถานนี้สถานใดสถานหนึ่งก็ตามให้จริงจังในสถานที่เป็นทีระลึของสตินี่เรียกว่าและเลือกชอบกันไว้อย่างนั้นและถูกต้องด้วยหาความผิดเพี้ยนไปไม่ได้เลย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 แม้แทุกวันนี้มาพิจารณามันย้อนไปทุกแข่ทุกคนนะ่ะตามภฏษีภาษาของพิจารณาที่อ่านดูสติประฐานนี่แล้วกำหนดตา ม, มนีม่แม้มันจิตมันคล้อยตามตามความรู้สึกของผมผมพูดตามความจริงทางปฏิบัติมาอันนั้นแต่ละคณะสูตรจิตใจยังขัดกันเป็นจริงผมจึงทำความเข้าใจเอา ว่าผู้รัตนาเนี่ยอาจจะตัดออกเสียกันหกันหนึงหรือแล้วว่าเทศคํธรรมซ้ำๆกินหน้ากะอะไรอย่างเป็ทธรรมะารรมซ้ำๆแล้วี่เจี๋ยล่ะท่านเรียนมาย่อยเสียรัตนาเนื้อจะพูดไปตามแถวเวตนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไม่เหนือจิตมันก็ต้องกระท่เขากัจิต นีรูปธรรม่งปีิบินติเวรนาจะปีนบินติสรยาจะปีนิบินติสรงข้าเรศุปีนิบินิติปัญญาสิ่งปีิบินติเบื่อน่าในรูปในเวรนาสัญญาสังขารจินยานนิบินดังน้ราชติเนี่ยเมื่อเบื่อหาย่อมย่อมคลายกำลัวะที่บิดังราชติไปอย่างนั้นเมื่อคราัิตลกจนลุกพ้นเมื่อจิลุกพ้นแล้วยานของรู้แจาเ่ิลุพ้นแล้วย่อมมือเวลาเรามาเทียบมาพิจารณาตามนี้เรามันไปไม่ได้ เมื่อไปถึงแค่ขันห้าคือรู้เท่าเอาพูดง่ายๆนะรู้เท่าในขันห้าในรูปในเวทนาในพิจาณาทั้งขาทอย่างลือเบื่อหนายก็หมายถึงว่าความเห็นโทษของมันอย่างชัดเจนมันเองพูดย่าไงแปลว่าเบื่อหนายความเห็นโทษการพิจารณาทัานเห็นชัดจากเห็นโทษแล้วก็เห็นเป็นความกิงแต่ละอันๆแต่ละอย่างเลยไปแล้วมันยังไม่แล้วการพิจนารณาเห็นความกินแต่ละอย่างอางไม่ยึดมันวิ่งเข้าไปถึงใจ มันก็ไปยึดใจอยู่ใึดใจจนได้ที้เดีดยงเขาไปอนั่นความนี้มันถือมั่นนี่ต้องฟาดตรงในจิตอีกทีหนึ่งมันพังทลายไปแล้วมันจะหมดปัญหานี่เรามันขัดตรงนี้เราเคยย้ําย้ําถามผู้ปฏิบัติทั้งหลายพูดไปด้แบบสุบๆเดาๆเราขี้เกียจพูดหยุดที่หาคิดค้านมันได้ก็คืออ ร, ริยปัจจัยสุขนี่เราค้านไม่ได้เลยการปฏิบัติเวลาเอานี้มาเทียบเคียงกันแล้วกาบสนิทคือมันลงได้อย่างเป็น อะไรเรา้งบอรูปรปัจจุบันิปิิติจักรุสมิปิมิติรูปเสปนินิตินวนะคือเบอื่อหนานในรูปแล้วก็เบื่อเบอื่อหนาในตาแล้วก็เบื่อหนานในรูปเรื่อยแล้วเบื่อนายนจิยานที่เกิดจากนีเบื่อหนาในสัมในสัมผัสในเวทนาสุกขก็ดีทุกข์ก็ดี เราปอาไปลยไม่สุกไม่ทุกข์ก็ดีและเบื่อหน่าไปเรื่อยๆนี่เราจะสรุปไปเลยในนะั้คือตามหูตูมุกลิ้นกายใจกับรูปเสียงที่ร์เครื่องสัมผัสทำมาลงเป็นคู่เป็นคู่กันไปเมื่อเบื่อหน่าในในตาก็เบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่าในหูก็เบื่อหน่าในเสียงเอาไปอย่างนี้เลยตลอดถึงความสัมผัสที่เกิดเโทนาจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยเยก็เบื่อหน่ายไปโดยลํำดับ นี่สุดท้ายมานักมิ่งปีนิบินตินั่นตรงนี้นะ่ะอเบอื่อหน่ายในจิตทําเมสุปิเดวินติเบื่อหน่ายในธรรม ท, ที่มารมที่เกิดภายในจิตออกจากนั้นกับเบื่อหน่ายทั้งมีธนาสุขทุกข์ไปเรื่อยๆจนไม่มีอะไรเหลือเลยเบื่อหน่ายในกินแล้วยังเบื่อหน่ายจิตที่มาเกี่ยวข้องกับจิตทั้ง แสดงมาเป็นผลเป็นถุกเป็นทุกข์เป็นเฉยๆออกทางนั้นกับพอเสร็จแล้วแบบนินบินดังมีรตัตติแล้วก็เลื่อยไปเป็นตลอดสายวิโ ม, มทนิง่งวิมทิติญาณังโอติวุษจังปังจังกะปังปะยะังกะจังกะยะไปเนี่ยอันนั้นไปเหมือนกันแต่สําคัญที่ไปลงที่จิตจิตเป็นของสําคัญเป็นที่รวมของกิเลสทุกประเภทจะพิจารณาประเภทใดก็ตามลงไปอยู่ที่นั่นหมดหลักปฏิบัติเป็นอย่างนี้นี่ เราพูดเราพูดจริงๆเราพูดอย่างอาบหารเพราะเราปฏิบัติมาอย่างนั้นเวลาปฏิบัติมันค้านกันที่ตรงไหนมันแยกกันที่ตรงไหนเราพูดได้ตามความแยกจนถูกหรือผิดแล้วแต่ใครจะนําไปพิจารณาแล้วเราอนัตตลกนาสูตเราเป็นอย่างนั้นน่ะเนความรู้สึกของเราเราก็ยกไว้เกียร์เขมนจะได้เรื่องเหนื่อยลาวอะไรไหนมันมันลงกันอยู่แล้วก็ยอมรับกันไปเช่นนั้นอริสตาปเรียสูตนี้ลงกันร้อยเปอร์เซหาพิพันธ์มาได ตั้งแต่ต้นจนอวาสานมันนักตมนิ่งปีนิบิติทำเมปีนิบิิลื่นมโนวิญญาณในปีนิบิติโนมโนสัมพัตเต้ปีนิบิติยามเป็นัมโนซัมภาษ า, า, า, าปัาปัญจิเวตางสุขข้างวัดดุกข้างวัดดุกมรมสุขข้างวัดตัดนิง่งปีนิบิตินั่นรวมยอดมาเบือนนายเาห น, านีหมดคขามาตามัดนิ่งมาเพาะโยกเอาตัวสิ่งที่เคยพูดมาแล้วนั่นมาเป็นสรรพนามโยกอย่ามาโยกคือเส้นเขาําเดียวน่ะเส้นที่แรกกนายกอนายขอนายงอ พอสุดท้ายเขาเหล่านั้นบัณคนเดียวที่เขาเห็นมีเหมือนกัน่วงปุ๊บจนมีจริมีวินาทีลงหมดนี่เป็นดังวินาทีที่ราคาวินาทดตลอดสายเมีเรายอมเวลาปฏิบัติของมราเป็นงนั้นจริงจริงเคยพูดให้หมูเพื่อนฟังแล้วนี่ทำไมไปพิจารณาก็พิจารณาไม่ได้ลูกเคยพิจารณามันก็ไม่ได้เรื่องอสุภะอสุังเคยพิจารณามาสจนแหลกประจัดกระจายคนนี้ทานาน ห้องแทบแทบกล้าพิจารณาพิจารณาเลยหมดเออาจะธากันเลยหมดไม่มีเหลือที่จะพิจารณาทีแรกมันไม่หมดพอย่างเข้ามา ถ, ถึงภาพภ า, ายในนี่แล้วอจะภาพภายนอกมันก็หมดภายในมันก็หมดมันเลยว่างมันก็จะนี่จะพิจารณาอะไรก็ไม่ทันถึงทันมันก็ไม่สนใจจะพิจารณานัาน่นมันเป็ มันก็ไม่มีอะไรร่างกายนี่ก็ไม่เห็นมีอะไรนอกจากมันว่างไปทั้งหมดแล้ว ม, นนมันยังไม่ยึดอีก ด, ด้วยแน่ตัวอะไรสุดท้ายมันก็ไปอยู่ที่จิตมันก็ไปหลงอยู่ที่จิตเคลื่อนอยู่ที่จิตสงวนอยู่ที่จิตอ่าหรือจะว่าแบกก็แบกหามอยู่ที่จิตหนึน่งไม่รู้ตัวอ่ารักสงวนจิตไม่มีอะไรมาแต่เจ้าไม่ได้ความสงาาังหารพาเผยก็ตัวนั้นแ่ะเพราะรักสงวนก็อยู่นั้นแหละ ก่อความกังวลแต่ตัวเองอย่างอื่นมันพิจารณาหมดแล้วมันปล่อยไปหมดมันไม่สนใจกับอะไรแต่กงนั้นมันไม่ปล่อยมันยึดจะดว่าปล่อยนอกแล้วก็มายึดใ น, ลนลปนนออนนล่อยนอกรูปเสียงกินลจัััสเป็นนอกอหนึ่งป่อยนอกรูปเวทนาตัาสังขารวิญญาณนี่เป็นนอกอันหนึ่งแล้วมายึดภายในขึ้นเป็นตัวการตรงกันคือยึดใจน่ะกีเลสเข้ามาวรงนั้นให้หลอกหลอกให้ยึดอีกแล้วเขาจะว่าวิชาไม่ละเอียดเหนือพิจาที่ละเอียดขนาดไหนอวิชา นั่นแหะตัวการทห่จรินๆนะทําทให้หลงไม่ว่าสติปัญญาขนาดไหนมันจะต้องงงไปซะก่อนไงแต่มันทําไม่นานมันนั่นแหะเมื่อความดลงไปตรงจุดนั้นทางทารางกัแล้วที่ไม่เห็นว่าอะไรฮอืมีอะไรที่จะให้ที่จะมามีอะไรที่ตกค้างมีอะไรที่ให้สงสัยจะแยกไปถึจุระพุริเจ้าพระเจ้านิพพานกี่ปีกี่เดือนแล้วคืออะไรนิพพานอยู่ที่ไหนตัวนิพพานนั้นคืออะไร มันก็หมดปัญหาไปหมดโดยประการตั้งแ่วงาถ้าสงฆ์ชาวโลกขี่หมื่นกี่ล้านองค์ก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยพอเข้าถึงตรงนั้นแหล่นั้นเป็นอัไรบางรอบไปหมดเรื่องความเมตตาไมยต่างๆไม่มีอะไรเหลือขึ้นชื่อว่าสมมุติในโลกนี้เข้าครอบผิดนั้นไม่ได้นอกความกินล้น้วนที่เป็นความกินอนิจจธทรานั้นเออจะว่าอยู่ก็อยู่นั่นผลของงานที่ปฏิบัติอย่างเอาจรินอ็สั่งไปไหนไม่ได้ต้องมาลงตรงนี้ให้เชื่อทำ ยาเชื่อที่เล็ดเราเคยเชื่อที่เด็ดมากี่กับกีบก่การนั้นเฉพาะอัตภาพนี้เราก็เคยเชื่อมันมาแล้วความโลภมันเคยพาดีความโกรธความหลงมันพาเราได้ดีได้อะไรบ้างราคาตันถามมันพาเราให้ดี ด, ดได้อะไรบ้างการแก้หน่วงนี้ถึงจะยากลําบากยากขนาดไหนตายได้ไม่ถึงตายนะพระพุทธเจ้าไม่เห็นตายสาวกไม่เห็นตายทาไมเราจะตายคนเดียวเรามีปัจจัยแต่ของเราคนเดียวในเวลาประกอบความเปลี่ยนมันเป็นเพราะเหตุไร ซักจะของไปที่ถ้าเป็นนักปฏิบัตินักกสิปัญญาที่จะค้นคว้าหาความจริงต้องขุต้องค้นเข้าไปให้เป็นอุบายวิธีของแต่ละท่านท่าน ท, ที่พูดนี้เพียงว่าหยิบยกให้ชิ้นใหญ่หรือว่าไม้ทั้งดุนไม้ทั้งท่อนให้ไปเจรณญนเองให้ไปเรื่อยไปใช้กฏรูปแบบกันเองนี่การยกให้อยแทบานังในทางที่จะมาเอาให้จริงให้ทรงแล้วก็อิพานขออยู่กับหัวใจทุกคนนั่นเอง อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่ใจเป็นแต่เพียงว่าตัวเจ้ามไทยนี่มันคราบไว้หมดมันไม่เห็นตัวมโหพานที่อยู่ภายในนั้นมันมาปิดม่านไว้หมดเสียหุ้มออกไว้หมดเสียไม่เห็นหลอกเราที่นี่อันไหนที่เป็นเรื่องจะเป็นไปตามมันมันหลอกมันหลอกมันหลอกแหละเข้าใจดีนะเอาแค่นี้ไปท่านปัญญาอธิบายหมู่พี่ผู้พุทมาเฑียรที่มิลเล่